ก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียนบอกเขาเรียนเขาเข้าใจแล้วเมื่อก่อนเรียนชอบใช้แต่สมองที <c oughs> งนี้ไม่ใช้สมองแล้วใช้ใจแยกกันออกแล้รู้สึกนะ <c oughs> นี่สงบเ <c oughs> ต็มทีสาม ทำทุกวันนะต้องสงบแน่ใช่ดีแล้วแล้วนุดนอ่ะเป็นไง <c oughs> แล้วอยากให้เฝือนานนะเดินไหมนุงเดินจนกลมไหมไม่เดินเลยเหรอแล้ว <c oughs> ไปอยู่กับท่านได้ยังไงเดื <c oughs> อ่อท่านเอาเรื่องจิตเป็นไงตอนนี้จิตสว่างไหมรู้สึกตัวเต็มที่ไหมตอนนี้ มีโมหะแทรกดูออกก็ดีนะทีมไหนมาต่อไปอทีมไหนอ่ะคุณหมอเขาแล้วกันคุณหมอเป็ น, น, นสบายไหมสบายแต่ถ้าเราไปบังคับมันไม่บังคับก็สบายในใครจะส่งกันบ้านอีกเนาะไงพี่รุงศรีปฏิบัติทุกวันไหม อย่าเผลอเป็น <áticas> วันก็แล้วกันเผลอนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะเผลอนาทีหนึ่งสองนาทีก็พอล้วใครรู้สึกนะพอเราจิตเราฝึกไปเรื่อยจนสุติอัตโนมัติเนี่ยพอจิตเราไหลแวบเนี่ยก็รู้สึกละแต่มันอยู่ที่ฉันทะของเราจะพอใจที่จะรู้สึกจะขยันรู้แต่ถ้าช่วงไหนฉันทะของเราหย่อนลงเราสนใจสิ่งอื่น มีเรื่องต้องสนใจเยอะอะไรเงี้ยสนใจแก้วอะไรเงี้ยก็มันก็ตื่นน้อ ย, <those> ยอะไรงแก้เป็นไงได้ปฏิบัติบ้างไหม totally. ถ้ารู้ตัวถูกต้องไม่เครียดนะถ้ารู้ไม่ถูกอ่ะถึงจะเครียดคือการรู้สึกตัวเนี่ยอย่าไปจงใจรู้สึกนะถ้าสติเกิดขึ้นเอง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 ถ้าเรารู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไปเรื่อยๆแต่ไปสติจะเกิดขึ้นเองอาจารย์อภิธรรมบางท่านก็สอนบอกอย่าเพิ่งปฏิบัตินะเรียนเรื่องสภาวะก่อนกิเลสแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงจิตแต่ละตัวเป็นยังไงนะเวทนาแต่ละอย่างเป็นยังไงหัดเรียนเรียนไปเรื่อยๆนี้เราไม่เรียนสริยัดก็ได้เราเรียนจากของจริงสังเกตใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันรู้สึกไหม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 กลายเป็นตัวปลอมมันเกิดงั้นทันทีที่สติเกิดจะมีความสุขจับพลันเลยเนื้อใจจะเบ า, างั้นหนักก็หาทางผ่อนคลายก่อนนะเราทาสมถะไม่เป็นถ้าทําสมถะเป็นก็ทําสมถะผ่อนคลายเนื่นเครียดจัดจัดก็หาอารมณ์ที่เราเพลิดเพลินพอใจที่จะทำแล้วมีความสุขะ บางคนปลูกต้นไม้แล้วมีความสุขนะเครียดเครียดแนละ้วมาดูต้นไม้อะไรเงี้ยแต่อารมณ์ที่จะคลายเครียดต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นอกุศลนะอย่างบอกไปตกปลาแล้วคลายเครียดเลยนยหนีอ้างฟังไม่ขึ้นอย่างเราไปปลูกต้นไม้จิตใจไม่ได้เป็นอกุศลอะไรได้หรือเราไปให้อาหารปลาอะไรเงี้ย ธรมะทีหลายแห่งเขาชอบตั้งวังมัตฉาให้คนไปเลี้ยงปลาตอนที่เราให้อาหารปลาจิตใจมีความสุขได้ผ่อนคลายพะจิตใจมีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขได้ปฏิบัติละเอ้ตึกเคยเจอหลวงปู่สุวัตไม์มเกิดแล้วหลวงปู่สุวัตนะท่านมีอุบายนะลูกศิษย์ท่านไม่ค่อยยอมภาวนาท่านบอกให้ไปขุดสระใหญ่ๆไว้ <c oughs> คนก็นึกว่าหลวงปู่อยากได้น้ำเลยไปขุดสระหลวงปู่เอาปลามาปล่อย ไม่เหมือนจันตันนะจันตันไม่ให้ปล่อยท่านเจ้านามไม่ใช้หลวงปู่ให้อาปลามาปล่อยเวลาโยมทะเลาะ ก, กันนะอเอาไ ป, ไปเลี้ยงปลา <c oughs> ปเลี้ยงปลาให้มีความสุขถ้าจิตใจผ่อนคลายมันปฏิบัติง่ายใจเครียดๆทำไม่ไหวหรอกอย่างเราให้อาหารปลาเราก็ดูใจของเราได้ให้เรามีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขให้แล้วปลามากินอาหารนะเราพอใจ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 เอาความรู้สึกทั้งหลายมาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ต้องไปทําอะไรแปลกๆนะต้องมีอุปกรณ์ช่วยอะไรหรอกเอากายเวทนาจิตทำอะไรเป็นอารมณ์บางคนต้องหาอุปกรณ์ช่วยมีนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยนานๆนสาม น, นาทีสี่นาทีปลุกทีโไวช้านะมันต้องใจไหลแวบรู้แวบรู้เนี่ยนาฬิกาปลุกไม่ทันอนะ่ะเอานนั้หนูเป็นไงนะหนู ไปตรึงจิตหรือตึงอารมณนะ์และอ่าถือว่าเสียใจก็คาอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันคาอยู่เพราะจิตเราเป็นอกุศลอ่ามันจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง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 ดีแล้วมันทำงานของมันเองห้ามมันไม่ได้ใครจะส่งกันบ้านต่อจบแล้วหรือพี่หนูอ๋อมีใต้อีกคนอ้าวส่งกันบ้านตอนนี้บังพอดี ก็ต้องมีเครื่องช่วยนะเอาอารมณ์ในสติปัฏฐานอย่างเอาร่างกายเนี่ยมาเป็นตัวช่วยเช่นะ <c oughs> เรากระดุกกระดิกเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราคอรู้สึกบ่อยๆต่อมาพอเราหัดรู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนเราหัดรู้สึกเนี่ยต่อมาพอเราเผลอแล้วร่างกายเกิดเคลื่อนไหวโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยสติจะเกิดเอง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 รู้กายรู้ใจไปทำสมาธิบ้างไห ม, มนะอย่าทิ้งทำให้ได้ทุกวันนะสมาธิทำให้พักผรอนให้จิตใจเราสงบจิตใจเราสบายมันดูง่ายเป็นคนคนนะบางคนทำสมาธิไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันก็ต้องดูเอาเลยถ้าทำได้เราก็ทาสมาธิขึ้นมาจิตใจได้พักผอน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 รุนหลังๆคิดว่าการทําสมาธิทําเอาเคลิมทําเอาขาดสติอย่างค่ำๆก็เปิดเทปครูบาอาจารย์นะักก็นั่งสมาธินะเคลิมน อ, อกแงก็ไม่ได้เรื่องเลยอย่างนั้นใช้ไม่ได้คือถ้าจะฟังครูบาอาจารย์ให้รู้เรื่องก็ตั้งใจฟังอยาขาดสติถ้าจะปฏิบัติจะเจริญสติก็ต้องรู้สึกตัวอยากเคลิมเอามันสักอย่างหนึ่งจะฟังให้รู้เรื่องคือฟังเชิงปริยัติก็อย่าหลับ อยากจะปฏิบัตินเจริญสติก็อย่าไปเคลิม้มเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่น น, ะนี่ส่วนส่วนใหญ่พวกเราจะเคลิมนะ้มนั่งกันงอกแงกงอคเนกนะสมัยก่อนเคยเข้าไปยินมักเป้งสมัยหลวงปู่ยังอยู่หลวปู่เทศพท่านยังอยู่นั่นะตกค่เนี่ยคนไปภาวนาในโบสถ์นี้เยอะเลยบางคนก็เดินจงกรมรอบโบสถ์แต่มาก็ไปนั่งกับเขาด้วยนั่งดูไปรอบๆอบตัวนะ เฮ้ไม่มีใครเจริญสตินะอมีแต่นั่งแล้วก็อย่างเงี้ยนั่งก็แบบนี้นะัเคลิ้มเคลิมลืมเนื้อลื ม, ลมตัวไปเดินก็แบบเคร่งเครียดเริ่มสุดโตกสองฝั่งอนะ่ะะไม่เคลิ้มไปเลยหลงไปเลยก็เคร่งเครียดไปเลยในใจก็นึกนะไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยนีคิดอย่างเงี้ยพอเช้าโดนดีเลยถาวายอาหารหลวงปู่เสร็จแล้วเข้าไปใกล้ๆท่านท่านก็ยิ้มหวานเลย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 ไปรู้กายมันจะถลําลงไปเพ่งกายเพราะมันหยาบมันมายุ่ยยวนเอาใจถลําเข้าไปมันจะไม่มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมานะเวลารู้เวทนาเนี่ยเวทนามันรุนแรงจิตใจมันจะทุรนทุรายขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสมาธิหนุนหลังอยู่นะดูเวทนาแล้วก็เห็นกายเป็นอันหนึง่งเวทนาเป็นอันหนึง่งจิตที่ไปรู้กายรู้เวทนาเป็นอีกอันนนะึแยกรูปแยกนามอีกนั่นแหลนะการปฏิบัติต้องแยกรูปแยกนามนะ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 ปัญญานำไปเยสมาธิก็เกิดในขณะที่จะเข้าถึงธรรมะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาทุกคนขาดอะไรอันหนึ่งไม่ได้นี่หลายคนคิดแต่ว่าทําสมาธิไปมากๆจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาสมาธิอย่างที่เราทํากันนะถ้าเป็นสัมมาสมาธิทาให้เกิดปัญญาคือจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ นันจะทําให้เกิดปัญญาคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่ที่เราทําสมถะเคริมง้องแงง้องแงนะี่ยไม่ทําให้เกิดปัญญาเคยมีคนถามอาจารย์มหาบัวนั้นะนะบอกถ้าผมทําสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมฮะเกิดอะไรนะเกิดปัญญาไหมครับไม่เกิดหรอกคนละเรื่องตอนหลังๆคนไปถามเรื่องสมาธินั้นะท่านไล่โอ้ขี้เกียจพูดพูดเยอะละไปอ่านเอาเอง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 หลวงปู่มั่ก็สอนท่านนะรู้กายได้ก็รู้กายไปรู้จิตได้ก็รู้จิตไปนะถ้ารู้กายไม่ได้ก็รู้จิตรู้จิตไม่ได้ก็รู้กายเนี่ยเรารู้กายเพื่อจะรู้จิตรู้จิตเพื่อจะรู้จิตให้ยิ่งขึ้นไปอีกในที่สุดก็รู้จักสิ่งหน speaker, says, ึ you, Guru, ่งเรียกว่าทีติจิตหลวงปู่มั่นเรียกทีติจิตทีติจิตนั่นก็คือทารู้ตัวเดิมนั่นเองหลวงปู่เดินเรียกว่าจิตหนึ่ง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 อาสวะกิเลที่ห่อหุ้มจิตอยู่เหมือนเปลือกเหมือนเปลือกไข่ที่หุ้มลูกไก่เอาไว้ข้างในมันจะแตกมันทําลายออกแต่เราไม่ได้ทําลายอาสวะโดยตรงนะอาสวะนี้จิตหลุดพ้นจากมันได้เพราะว่าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจโดยเฉพาะไม่ยึดถือจิตนั่นแหละกายนั้นมันวางก่อนมันหยาบน้อยคนที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรางนะั้นสักยัติที่ขาดไม่หมดอ่ะ เห็นกายไม่ใช่เราแต่ไม่ได้เห็นจิตว่าไม่ใช่เรานะสักกายที่ทีไม่ขาดแต่ถ้ารู้กายถูกต้องก็จะเห็นจิตด้วยจะเห็นในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนานๆเห็นอีกจิตก็ไม่ใช่เรางั้นทําอันใดหนึ่งก็เข้าไปถึงธรรมะอันเดียวกันล้วนๆเลยเดียวเราพักอะไรนะหน้าเข้าไปถึงธรรม อ, รอันเดียวกั น, น, ก น, น, กนคือจริงๆจิตหนึ่งก็คือมหากริยาจิต ซึ่งมันไปรู้นิพพานนั่นเองไปรู้มหาสุญญาาจิตหนึ่งก็ไปรู้มหาสุญญาตาอะไนี่นคือใจของหลวงปู่เทศนี่ครูบาอาจารย์แต่และองค์ก็สำนวนต่างกันเะนั้นบางทีพวกเรานักปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วนะต้องไปเรียนไปดียับซะหน่อยจะได้พูดกันรู้เรื่องไม่ง้ข้ามสำนกากก็พูดกันไม่